สวัสดีค่ะท่านฟังคะขอเชิญท่านฟังทั้งหลายเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัมสนีิษฐานาทางสถานีวิทยุ FM 106ครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติด้วยกันนะคะท่านฟังคะฉัเนเองต้องกลับเรียนท่านฟังที่ได้ให้ความสนใจในหนังสือที่เราได้แจกกันอยู่เป็นประจำในทางรายการคือ ตั้งแต่มีรายการมันเนี่ยแจกหนังสือพีสามเล่มด้วยกันนะคะเล่มแรกก็คือหนังสือคู่มือพระโสดาบันเล่มที่สองก็เป็นคุณสมบัติพระโสดาบันต่อมาเราก็แจกหนังสือเรื่องพุทธวัตรทำวินัยจากพุทธโอสถหนังสือทั้งสามเล่มนี้ก็จะเน้นว่าเป็นเรื่องราวพระพุทธวัจนะจากพระโอสถทบทวนอีกครั้งหนึ่งสาหรับผู้ที่เริ่มมาฟังรายการนะคะว่า เนื่องจากก็ได้พบว่าพระพุทธองค์นั้นได้เคยตรัสถึงอนาคตข้างหน้าหลังจากที่ได้ดับขันธปรินิพานไปซึ่งทนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้นี่ก็ยาวนานกว่า2500ปีแล้วนะคะถือว่าเป็นเวลาทีออ่อะไรก็แล้วแต่เมื่อการเวลาผ่านไปบางทีมันก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนไปได้มากหรือได้มั่งเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่า ให้พยายามที่จะศึกษาในถ้อยคําของพระพุทธองค์อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องบอกว่าเป็นการดีอย่างยิ่งเลยที่มีคณะของท่านพุทธทาสนะคะได้กระทำการคัดกรองเอาไว้ในชั้นหนึ่งเพราะระยะเวลาอันยาวนานนี้เนี่ยในธรรมะในคําสอนก็จะมี การสอนต่อมาด้วยบรรดาพระภิกษุในรุ่นหลังๆครูบาอาจารย์ต่างๆบางทีการรวบรวมก็อาจจะเกิดนำเอาไปรวบรวมไว้ปนกันนะนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นไปด้วยความที่ทำให้ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นดำรงอยู่อย่างถูกต้องให้เราใช้ประโยชน์กันในคำสอนที่ถูกต้อง แล้วก็เป็นการช่วยทำให้ศาสนานั้นอยู่ยาวนานเพราะในเมื่อถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้อันนี้เป็นลักษณะที่เป็นเอกยิ่งยวดของคำสอนของพระพุทธองค์นะคะว่าสามารถที่จะพิสูจน์ได้เพราะถ้าจะติดตามก็จะได้พบว่าพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะและสอนให้พวกเราเนี่ยไม่ชื่ออะไรง่า ย, า ย, ายคือต้อง เชื่อเพราะว่าเป็นสิ่งที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วอย่างกับการลามสูนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์สอนฟังเขาเล่ามาอย่างโน้นอย่างนี้นี่สารพัดนะคะก็ยังส่งเน้นว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อต้องใคร่ครวนต้องไตรตรองต้องกลั่นกรองให้ดีที่สุดและธรรมะของพระพุทธองค์ก็จะมุ่งเน้นให้นาไปสู่การปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติแล้วมันเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันของใครของมันที่บอกว่าเป็นปัจจิปังฟังรายการนี้เราจะมีในส่วนของการที่จะส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงการนำเอาธรรมะนี้ไปสู่การปฏิบัติอยู่เป็นประจำาละนะคะค่ะก็อยากจะบอกว่าเป็นโชคดีที่มีผู้ที่สนับสนุนให้เกิดการทาหนังสือ ที่เป็นถ้อยคําจากพระโอษฐ์เป็นพุทธวัรชนะจากพระโอษฐ์นี่อยู่เสมอๆจึงยังทําให้เราสามารถที่จะแจกหนังสือนี้ได้อย่างต่อเนื่องโดยความเมตตาของพระอาจารย์คึุกริตโสธิภโลนะคะซึ่งอตอนนี้ที่แจกอยู่ก็คือหนังสือพุทธวัตรฉบับก้าวย่างอย่างพุทธะก็จะเป็นหนังสือที่มีการรวบรวมคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ย43เรื่องด้วยกันเล่มเล็กๆสําหรับคนที่ ยังไม่คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือเล่มใหญ่นะคะแล้วก็จะได้ค่อยเรียนค่อยรู้ไปก่อนที่จะไปแสวงหากันให้มากกว่านี้ก็ติดต่อกันมานะคะที่หมายเลข 02-269-0006 และ 02-269-0060 ค่ะสำหรับวันนี้ในส่วนของช่วงถามโลกตอบธรรมเนี่ยนะคะจะเป็นการที่พระมาร์คชาคาวโร ค, ค่ะได้นำเอาพระสูตร ในหนังสือชุดจากพระโอษนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มอริยสัจจากพระโอษส่วนจะเป็นเรื่องใดนั้นเดี๋ยวไปพบกับท่านกันค่ะ